ตอนที่หกเจ็ดไม่มีเงินจะเกิดลูกทําไมเห็นสมคนของข้าหัวนี้หรือไม่แม้จะอายุไม่ถึงร้อยปีแต่ก็มีห้สิถึงหกปีแล้วสมหัวนี้ข้าซื้อมาในราคาสามร้อยหยวนแถมยังซื้อเมื่อสิปีก่อนตอนนี้มูลค่าของมันพุ่งสูงขึ้นไปนานแล้วสมของเจ้าหัวนี้อย่างน้อยที่สุดก็ต้องหลักพันหยวนหนิงชังเฮยังคงประเมินราคาอย่างระมัดระวังตกลงหลีหวันนพยักษหน้าตกลงโดยไม่เสียเวลาคิดเอาตามราคาที่เท่าแก่ว่ามาเลย หากผ่านไปอีกไม่กี่ปีมูลค่าของสมคนย่อมพุ่งสูงขึ้นอีกหลายเท่าตัวแน่นอนแต่หากอ้างอิงตามราคาตลาดในตอนนี้ก็นับว่าคุมค่าแล้วอีกอย่างสําหรับนางแล้วมันไม่ใช่ของหายากอะไรเลยในมิติของหลีวันมีสมุนไพรคุณภาพดีเช่นนี้อยู่เต็มไปหมดนางเพียงแต่กลัวว่าจะดึงดูดสายตาเกินไปครั้งนี้ที่ออกมาจึงหยิบออกมาขายเพียงหัวเดียวเท่านั้นข้าขอถามเพิ่มอีกสักสองสามประโยคแน่ใจนะว่าคนในครอบครัวเจ้ารับรู้แม่นางน้อยที่บ้านเจ้าขัดสนเงินทองมากหรือ เท่าแก่ปรดวางใจไม่มีปัญหาอื่นแน่นอนข้าแค่ต้องการขายมันเท่านั้นหลิวันตอบกลับอย่างใจเย็นดีเดี๋ยวข้าจะตรวจเช็คดูให้ละเอียดอีกรอบหากไม่มีปัญหาอะไรก็จะจ่ายเงินให้ทันทียื่นหมูยื่นแมวจ่ายเงินรับของได้ค่ะหลิวันโนพยักหน้าเบาๆที่บ้านเจ้ายังมีของดีแบบนี้อีกหรือไม่หากเจ้ามีหลักก็ต้องรีบเอามาส่งให้ข้าเชียวนาข้าจะให้ราคาไม่ต่ำกว่าคนอื่นแน่นอนอืมได้ค่ะ หลีหวานไม่ได้บอกว่ามีและไม่ได้บอกว่าไม่มีนิงช้างเหอร์รีไปหยิบเงินมาเมื่อจ่ายเงินเสร็จหลีหวานก็นับเงินต่อหน้าเขาเท่าแก่การร่วมมือกับคนอื่นไม่ว่าเมื่อไหร่ก็ต้องดูที่คุณภาพของสมุนไพรยอย่าได้เชื่อใจมนุษย์เป็นอันขาดนิงช้างเหอไม่ได้พูดอะไรเพียงแต่ยืนอิ้งอยู่ที่เดิมพางคิดถึงสิ่งที่หลีหวานเพิ่งพูดออกมาคําพูดของนางไม่ผิดเลยอย่าได้เชื่อใจมนุษย์เป็นอันขาดวันนี้ปิดร้าน ร้าสมุนไพร้าทั้งหมดออกมาตรวจนับใหม่หากพบว่ามีปัญหาให้รายงานค่าโดยตรงนิงช้างเหอออกคำสั่งด้วยน้ำเสียงเย็นชาหากร้านสมุนไพรต้องการจะเปิดกิจการไปได้ยาวนานจะทำมาค้าขายแบบผิดมโนทำไม่ได้นิงช้างเหอซื้อของปลอมมาได้แต่ของที่ขายออกไปจะไม่มีของปลอมไม่ได้เด็ดขาดรับทราบครับเงินหนึ่งพัน 1, หยวนที่อยู่ในกระเป๋าทําให้หลีหวันรู้สึกถึงความมั่นคงอย่างเต็มเปี่ยม ความรู้สึกมั่นคงบางอย่างมีเพียงเงินทองเท่านั้นที่มอบให้นางได้จริงๆเดินเที่ยวเสร็จหรือยังถังแยกก็ซื้อของเสร็จเกือบหมดแล้วถ้าเสร็จแล้วพวกเราก็กลับบ้านกันเถอะเจ้าชุนฮาวาซื้อไข่ไก่เสร็จพอดีก็เห็นหลานสาวเดินมานางเห็นว่าไข่ไก่พื้นเมืองพวกนี้ดูไม่เลวเลยซื้อกลับไปบำรุงร่างกายให้หลีชิงทิ้งพอดีมีสารอาหารเยอะหากไม่ใช่เพราะที่บ้านไม่มีที่ทางให้เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่นางคงอยากจะซื้อกลับไปเลี้ยงเอ ง, เองสักไม่กี่ตัวพอถึงเวลาอยู่ไฟจะได้มีไว้กิน ของที่เลี้ยงด้วยธัญพืชเองย่อมดีกว่าและมีสารอาหารมากกว่าที่ซื้อเขามาแน่นอนเดินเสร็จแล้วคะ่ะงั้นพวกเรากลับบ้านกันแยกขนูถือเองหลิวันรับหัวหมูใหญ่ที่นางเพิ่งซื้อมาน้ําหนักไม่เบาเลยอย่างน้อยก็หลายสิบจินเจ้าถืออันนี้ไม่ไหวหรอกถือเนื้อนี้ไปก็พอเจ้าชุนหัวส่งเนื้อที่เบาที่สุดให้หลิวานถือน้ําหนักประมาณห้าหกจิน วันนี้มาสายไปหน่อยเลยซื้อเนื้อแพมมาได้แค่นี้ยังดีที่บ้านยังมีเนื้อหมูเหลืออยู่บ้างย่ายังซื้อผักกัดขาวมาเพิ่มอีกหน่อยเอามาลวกกินก็อร่อยมากเหมือนกันย่าขะใส้วุ้นเส้นด้วยก็ได้นะขนูชอบกินวุ้นเส้นโดยเฉพาะแบบเส้นใหญ่ได้เจ้าชุนฮวายิ้มร่าพลางพยักหน้าที่บ้านมีอยู่หัวหมูนั้นผ่านการจัดการเบื้องต้นมาแล้วซื้อกลับไปต้องเอาไปจัดการต่ออีกหน่อยเจ้าชุนฮัวฮิ้วหัวหมูใหญ่ขนาดนั้นกลับบ้านจึงดึงดูสายตาผู้คนให้พากันมาดูความคลค้นไม่น้อย ป้าเจิงซื้อหัวหมูใหญ่ขนาดนี้ไปทำไมกันไม่ใช่ช่วงเทศกาลเสียหน่อยโอโฮยังซื้อเนื้อแพ้มาตั้งเยอะแยะข้าจําได้ว่าเมื่อไม่กี่วันก่อนท่านเพิ่งซื้อเนื้อไปไม่ใช่หรือบ้านท่านนี่กินเนื้อกันเยอะเกินไปแล้วนะเจ้าชุนฮวาหยุดเดินพรางยืดหลังที่ไม่ล้าขนบ้านข้าเยอะก็ต้องกินเยอะเป็นธรรมดาเด็กๆช่วงนี้กำลังโตก็ต้องกินเนื้อให้มากหน่อยพูดจบเจ้าชุนฮวาก็พูดเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกันขึ้นมาอีกประโยค ตอนนี้เนื้อแค่นี้ยังไม่เท่าไหรหรอกปีหน้าบ้านข้าจะมีสมาชิกเพิ่มอีกคนถึงตอนนั้นต้องออกมาซื้อเนื้อกินทุกวันแน่ฮ่าฮาหลีวหวานฟังออกเลยว่าคุณย่ากำลังอวดชัดๆอะไรนะลูกสะใภ้บ้านท่านท้องแล้วหรือเป็นไปตามคาดมีคนคิดไปถึงเรื่องนั้นทันทีใช่ท้องแล้วเจ้าชุนหววพยักหน้าเอาละข้าไม่คุยกับพวกเจ้าแล้วต้องรีบปรับไปทำกับข้าวเดี๋ยวทำมือ้อเที่ยงช้าจะปล่อยให้ลูกสะใภ้ข้าหิวไม่ได้ พอสองย่าหลานเดินจับไปคนเหล่านั้นก็เริ่มซุบซิบกันทันทีลีชิงผิงท้องแล้วหรือไอหย่าทั้งคู่เพิ่งแต่งงานกันได้ไม่นานก็ท้องเสียแล้วมันน่าแปลกตรงไหนกันคนแต่งงานกันก็ต้องท้องสิบ้านเขามีลูกชายตั้งสามคนแล้วถ้าเกิดมาเป็นลูกชายอีกคนจะทํำยังไงล่ะนั่นใช่ว่าจะเลี้ยงไม่ไหวเสียหน่อยที่ชายกับพี่สะใภ้ของเจิ้งหยุนชงไม่ได้ทิ้งเงินไว้ให้เด็กทั้งสามคนหรอกหรือเหอข้าว่าเงินนั้นอีกหน่อยก็คงตกเป็นของลีชิงผิงนั่นแหละ นางคงจะหาทางยักยอบไปจนหมดเพื่อเอาไว้ให้ลูกของตัวเองใช้คำนินทาของคนนอกเหล่านี้หลีหวานกับเจ้าชุนฮวาไม่ได้ยินแล้วแต่ต่อให้ได้ยินหลีหวานก็ไม่เก็บมาใส่ใจอยู่ดีคนนอกมักจะไม่หวังให้คนอื่นได้ดีพวกเขามีความคิดเช่นนั้นก็เป็นเรื่องปกติไม่จำเป็นต้องไปใส่ใจแค่ใช้ชีวิตของตัวเองให้ดีก็พอ หลังจากหลิวเคอเคอตั้งคันในช่วงแรกของการตั้งคันมักจะมีอาการไม่สบายตัวต่วตางๆนานาๆกับโจเจียนเย่ต่างก็ยุ่งอยู่กับงานจะได้เจอกันก็แค่ช่วงกลางคืนเท่านั้นทุกครั้งที่หลิวเคอเคอบอกเขาใบหน้าของชายหนุ่มมักจะแสดงความรำคาญออกมานานวันเข้านางจึงไม่อยากจะพูดอีกพอกลับมาถึงบ้านก็เจอแต่ความรกรุงรังไปหมดทุกที่ล้วนต้องจัดเกตหลิวเคอเคอไม่อยากเห็นให้เสียสุขภาพจิตนางจึงกลับไปพักอยู่ที่บ้านเดิมของตนเอง โจเจี้ยนเ ย, ย่ไม่ได้มีความเห็นคัดค้านอะไรกับกันเขายังดีใจที่นางไม่ได้อยู่ที่บ้านหูของเขาจะได้สงบลงไปบ้างแม่สกุลหลิวพอเห็นหลิวเคอเคอมาอยู่ที่บ้านก็แสดงสีหน้าไม่พอใจออกมาไม่ใช่ว่ารังเกียจลูกสาวแต่รังเกียจลูกเขยที่ลูกสาวหามาต่างหากข้าบอกแล้วว่าพวกเจ้าสองคนมีลูกกันแล้วตอนนี้แม้แต่ที่อยู่อาศัยยังไม่มียังต้องไปเช่าบ้านเขาอยู่ดูสิว่ามันใช้ได้ที่ไหนกัน ลูกพี่ลูกน้องของเจ้าแต่งกับผู้ชายที่ดีกว่าเจ้าตั้งเยอะเขาอยู่ติดแถวแถมยังเป็นห้องแบบสามห้องนอนหนึ่งห้องโถงพ่อแม่สามีก็มีเงินบำนาญแล้วพ่อแม่สามีจะมีอะไรบ้างตอนแรกข้าไม่เห็นด้วยเจ้าก็จะเป็นจะตายจะแต่งให้ได้ผลสุดท้ายพอท้องขึ้นมาก็ต้องสมสารกลับมาอยู่ที่บ้านแม่แม้แต่คนประนิบัติก็ไม่มีช่างเป็นกรรมของข้าจริงๆที่ต้องมาติดค้างเจ้าแบบนี้แม่คะหรือว่าแม่ไม่ดีใจที่หนูกลับมาอยู่เป็นเพื่อนแม่หลิวเคอเคอตอบกลับอย่างรําคาญ ข้ายอมดีใจที่เจ้ากลับมาแต่ข้ารู้ว่าเจ้ากลับมาเพราะไม่มีความสุขแม่สกุลหลิวแค่นเสียงเหอะเจ้าบอกข้าทีว่าเขาดีตรงไหนถึงคนรข้าให้เจ้าไปรักเขาอย่างจริงใจขนาดนี้เห็นแล้วมันน่าโมโหนจริงๆหลิวเคริรเคิรก็แค่ชอบโจวเจียนเยี่ยนางเองก็บอกไม่ได้ว่าทําไมถึงชอบตอนนี้มีลูกด้วยกันแล้วคิดเรื่องอื่นไปก็ไม่มีประโยชน์ข้าถามเจ้าหน่อยตอนนี้พวกเจ้าสองคนมีเงินติดตัวเท่าไหร่มีเงินพอจะคลอดลูกไหม พวกเรากำลังเก็บเงินเดือนอยู่ขค่เก็บอีกไม่กี่เดือนก็น่าจะพอสำหรับค่าคลอดลูกแล้วฟังจากที่เจ้าพูดมาหมายความว่าตอนนี้ไม่มีเงินเลยสักหยวนเดียวงั้นหรือ